ธรรมบทแปลเรื่องที่135ภาคที่6เรื่องอุบาสกชื่อจุลการพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบอุบาสกชื่อจุลการตรัสรธรรมเทศนานีว่าอัตนาวกะกตังปาปังอัตนาสังกิลิสติ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 จึงเดินออกจากวิหารแต่เช้าตรู่มาสู่กรุงสาวัตถีพวกโจ์นั้นจึงได้ทิ้งห่อพันธะไว้ข้างหน้าของอุบาสกจุลการณนั้นแล้วก็หลบหนีไปโดยในที่กล่าวแล้วในเรื่องของมหาการนั่นแหละพวกมนุษย์เห็นเขาแล้วก็พูดว่าคนนี้ทำจรกรรมในราตรีแล้วทำทีเหมือนฟังธรรมเที่ยวไป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 เขาไปยังวิหารบอกแกพิสุทั้งหลายว่าท่านขอรับว่า ก, กระผมถูกมนุษย์ทั้งหลายให้ชิบหายแล้วกระผมได้ชีวิตพระอาศัยพวกนางกุมภรทาสีภิสุทั้งหลายจึงกราบทูลความข้อนั้นแกพระศาสดาพระศาสดาทรงสดับถ้อยคาของพิสุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าพิสุทั้งหลายจุลกาณอุบาสก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 จึงได้ตรัสพระคาถานิวาอัตตนาวะกะตังป่าบังอัตตนาสังกิลิสติอัตตนาอากะกตังป่าบังอัตตนา ว, วิสุจติสุทิอะสุทิปัจจตังนานโยอัญยังวิโสทเยแปลว่าบาปอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนเอง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 ชื่อว่าเศร้าหมองด้วยตนเองส่วนบาปอันผู้ใดไม่ได้ทำด้วยตนผู้นั้นเมื่อไปสู่สุคติและนิพพานชื่อว่าย่อมบริสุทธ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์กล่าวคือกุศลกรรมและความไม่บริสุทธิ์กล่าวคืออกุศลกรรมเป็นกองเฉบะตนคือย่อมลผลิตผลเฉพาะในตนของสัตว์ผู้ทาทั้งหลาย บุคคลอื่นทำบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้คือให้หมดจดไม่ได้เลยให้เศร้าหมองไม่ได้เลยในการจบเทศนาจุลการตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันนัง น, นี้แหละเรื่องอุบาสกชื่อจุลการ